ธรรมบทแปลเรื่องที่68เรื่องพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรมภาคที่สเรื่องที่9ของวรรคที่หปัณฑิตาวัตกวนานนาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตาวันส่งปรารบพระธรรมิกาเถระตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าณอัาตาเหรตุเป็นต้นได้ยินว่าอุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี อยู่ครองเรือนโดยชอบธรรมอุบาศกนั้นเป็นผู้คร่งจะบวชวันหนึ่งเมื่อนังสนทนาถึงถ้อยคำปรารับความสุขกับภรรยาจึงพูดว่านางผู้เจริญฉันปรารถนาจะบวชภรรยาอ้อนมอนว่านายถ้ากระนั้นขอท่านจงคอยจนกว่าที่ฉันจะคลอดบุตรซึ่งอยู่ในท้องก่อนเถิดเขาคอยแล้ว ในเวลาที่เด็กเดินได้จึงอำลานางอีกเมื่อนางวิงวอนว่านายขอท่านจงคอยจนกว่าเด็กนี้จเจริญวัยเถิดจึงมาคิดว่าประโยชน์อะไรของเราได้ยหญิงนี้ที่เราลาแล้วหรือไม่ลาเราจะทำการสลัดออกจากทุกข์แก่ตนละดังนี้แล้วออกไปบวชท่านเรียนกรรมฐานภาคเพียนพยายามอยู่ ยังกิจแห่งบรรพชิตของตนให้สำเร็จแล้วจึงกลับไปเมืองสาวัตถีอีกเพื่อประโยชน์แก่การเยี่ยมบุตรและภรรยาเหล่านั้นแล้วได้แสดงท ร, รมรกาฐาแก่บุตรแม้บุตรนั้นออกบุตรแล้วก็แลครั้นบุตแล้วไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์ฝ่ายภรรยาเก่าของภิกษุผู้เป็นบิดานั้นคิดว่า เราอยู่ครองเรือนเพื่อประโยชน์แก่ชนเหล่าใดชนเหล่านั้นแม้ทั้งสองก็บวชแล้วปัจนี้ประโยชน์อะไรของเราด้วยการคลองเรือเล่าเราจักบวชแล้วจึงออกไปบวชในสำนักนางภิกษณุณีก็แลครั้นบวชแล้วไม่นานเลยก็ได้บรรลุพระอารหัต์ภายหลังวันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันขึ้นในธรรมสภาว่า ผู้มีอายุทั้งหลายทำมิกะอุบาสกออกบวชบรรลุพระอาหารหันต์แล้วทั้งได้เป็นที่พึ่งแก่บุตรและภรรยาก็เพราะความที่ตนตั้งอยู่ในธรรมพระสัสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อพวกภิกษุกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้แล้ว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 นาป an ุตตมิเชนาทนางนรทั้งนาอิชเชยะอธะธเมนาสมิตติมัตตโนสัชซีลวาปัญญาวาธามิโกศยาติบัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งตนย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นบัณฑิตไม่พึงปรารถนาบุตรไม่พึงปรารถนาทรัพย์ไม่พึงปร า, าปรถนาแว่นแหวน และไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพื่อตนโดยไม่เป็นธรรมบัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาตั้งอยู่ในธรรมแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าณนะอัตเตเตุความว่าธรรมดาบัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งตนหรือเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นบทว่าณนะปุตตมิเช ความว่าบัณฑิตไม่พึงปรารถนาบุตรหรือทรัพย์หรือแว่นแคว้นด้วยกรรมลามกบัณฑิตเมื่อปรารถนาแม้สิ่งเหล่านั้นย่อมไม่กระทํากรรมลามกเลยบทว่าสมิธิมัตตโนความว่าบัณฑิตไม่พึงปรารถนาแม้ความสาเร็จเพื่อตนโดยไม่เป็นธรรมอธิบายว่าบัณฑิตย่อมไม่ทาบาปแม้พระเหตุ แห่งความสำเร็จบทว่าสะส้ี่ละหว่าความว่าบุคคลผู้เห็นปานี้นั้นแลพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาและตั้งอยู่ในธรรมอธิบายว่าไม่พึงเป็นอย่างอื่นในการจบเทสนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่อง พระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม